หลวงพ่อคำเขียนท่านเคยพูดว่าสิ่งหนึ่งของท่านเนี่ยก็คือการรักษาธรรมชาติเพราะว่าท่านารักธรรมชาติรักป่ารักเขารักลําห้วยลําทานสิ่งนี้ของท่านก็พาท่านไปทําการอนุรักษ์ฟื้นฟู ร, รักษาป่ารวมทั้งเริ่มการจัดทําธรรมยาติตราซึ่งเริ่มเนปีสีสนะแล้วก็ปีนี้นี่ก็จะเป็นปีที่15้า เราก็จะจัดหัวข้อทำในทำโดยใช้ชื่อว่ า, อาตอบแทนครูบูชาคุณก็หมายถึงหลวงพ่อนั่นแหละใน ต, ตอนนั้นคิดว่าหลวงพ่อจะยังมีชีวิตอยู่จนถึงธรรมญาตรานะก็เลยตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาเป็นอาจารย์บูชานั่นคือซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งของหลวงพอ่อท่านบอกว่าก็เป็นซีของการสอนธรรมะสอนกรรมฐาน เสีกนี้เรียกว่าเป็นเป็นเี้ยกที่ท่านได้ทํามาจนกระทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกันนะท่านสอนเราแม้กระทั่งในยามป่วยแล้วก็ในยามที่ล้สังขารแต่ที่จริงนี่ยังมีอีกอี ก, อกมุมหนึ่งนะจะเรียกว่าซีกก็ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าหรือว่ามีอีกมุมหนึ่งของท่านก็คือการสงเคราะห์ชาวบ้านพัฒนาชุมชนนะนอกจากเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมะแล้วหลวงพ่อก็ใส่ใจนะ ไม่น้อยเลยนะกับเรื่องการส่งคราชชาวบ้านแล้วก็พัฒนาชุมชนนะซึ่งมีพื้นที่หลักก็คือที่ทํามผายหวานอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะว่าท่านไปดรมาสาที่ทํามผายหวานใ น, ในปี2000แล้วก็ช่วงที่อยู่ที่นั่นก็ช่วยส่งคราชชาวบ้านมาโดยตลอดอหลวงพ่อจึงเป็นที่รู้จักกันใน ในวงการหนึ่งนะท่านเป็นที่รู้จักในฐานะนักพัฒนานอกจากเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็อาจารย์กรรมฐานแล้วท่านก็เป็นที่รู้จักของคนกลุ่มหนึ่งนะว่าเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็เป็นเหตุให้ท่านได้มีโอกาสรู้จักพระที่ทำงานเรื่องพัฒนาชุมชนอยู่หลายรูปประมาณปีสามสามได้ไหมก็มีการ ประชุมสัมมนาพระนักพัฒนาทั่วประเทศทั้งอีสานเหนือกลางแล้วก็ใต้แต่ว่าส่วนใหญ่นี่เป็นพระอีสานก็เลยเห็นว่าน่าจะรวมกลุ่มกันกลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเสียธรรมลกลุ่มเสียธรรมนี่เป็นกลุ่มของพระนักพัฒนาที่มีบทบาทเด่นทั่วประเทศรวมทั้งหลวงพ่อประจักษ์ด้วย รวมทั้งพระที่ทํางานด้านการอนุรักษ์ธรรมรชาติหลวงพ่อประจักษ์ที่เคยมีชื่อเสียงเมื่อ20ปีก่อนท่านก็อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็มีหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อคําเขียเป็นรองประธานหลวงพ่อนานเป็นประธานหลวงพ่อนาเ น, นี่ก็มีชื่อมากนะในเรื่องการพัฒนาชุมชนอยู่ที่จังหวัดสุรินท่านก็เป็นกําลังหลักที่สําคัญของพระที่ทํางานด้านพัฒนาโดยเพราะการที่ ชวนให้กลุ่มเหล่านั้นเนี่ยนอกจากสนใจเรื่องการสงเคราะห์ชาวบ้านแล้วก็ไม่ทิ้งงานกรรมฐานความสงบความเย็นของท่านนะก็ทําให้คนได้ตระหนักว่างานกรรมฐานนี่ก็เป็นงานสําคัญนะที่พระที่ทํางานด้านทุมชนเนี่ยควรจะมีตอนหลังๆก็มีพระมาะเข้ากรรมฐานที่นี่เนี่ยอยู่หลายปี เพื่อได้ฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างมิติด้านจิตใจประมาณปี39เกนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือว่ามีการไปดูงานกันที่ประเทศฟิลิปปินส์หลวงพ่อท่านก็ไปด้วยตอนนั้นท่านอายุ60สละหกพอดีนะ เป็นครั้งแรกที่ท่านได้ไปกับหมู่พระที่คุ้นเคยทั้งทั้งวัยเดียวกันทั้งอายุมากกว่าก็มีเป็นพันเตและก็ที่เป็นพระรุ่นอาวุโสคือรุ่นที่พรรษาน้อยรู้สึกว่าจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะที่ท่านได้ไปต่างประเทศในลนนักษณะนี้คือไปกับหมู่พระแล้วก็มีญาติโยมไปร่วมอุปถาก ทังคณะก็ประมาณ20สบได้พระประมาณสิบห้นะที่ไปนี่ก็เพื่อไปดูงานของอประเทศฟิลิปปินส์ว่าเขาทํางานพัฒนาชุมชนโดยประสานศาสนาเข้ากับชุมชนอย่างไรบ้างวันที่นั้นเนี่ยบาดหลวงหลายคนนี่เขาทํางานแข็งขันมากแล้วไปเนี่ยไปดูงานก็ไปดูจริงๆนะเรียกว่าเข้าไปในชุมชน มีช่วงหนึ่งก็ไปไปนอนที่ในสลัมเลยนะอาตมากับหลวงพ่อแล้วก็พระครูท่านหนึ่งที่จังหวัดอุบลประมาณสามสี่รูปเนี่ยก็เป็นพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะแต่ว่าได้เข้าไปสัมผัสกับชาวบ้านที่ยากจนไปนอนในสลัมนะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะก็บ้านก็ไม่ได้ดีนักแต่ว่าก็คงยจะดีที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้ให้พวกเราไปพักแล้วก็ได้สนทนากับชาวบ้าน ประสบการแบบนี้นี่หลวงพ่อท่านชอบนะพาะไม่เคยได้เจอแล้วก็ไม่เคยไม่มีอีกเลยนะหลังจากนั้นก็เป็นการไปทัศนศึกษาอินเดียมั่งปูฐานมั่งแต่ว่าไปกับโยมส่วนใหญ่หนีพระเป็นส่วนน้อยแต่ครั้งนั้นนี้ท่านไปนะกับพระแล้วก็คุ้นเคยกันตอนที่ไปเนี่ท่านก็ได้รับฟังประสบการณ์ของ ของบารหลวงที่ทำงานด้านพัฒนาซึ่งท่านก็สนใจอย่างมีหลายที่เนี่ยเขาให้เขามีการรวมกลุ่มชาวบ้านรวมกลุ่มชาวบ้านเป็นกลุ่มๆนั้นนะและกลุ่มนี้เนี่ยจะมีงานหลักก็คือการศึกษาพระคำพีศึกษาพระคำพีสนทนากาันแล้วก็ขณะเดียกันก็ใช้กลุ่มนี้แหละนะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ก็เรียกว่าภาษาโลกกับธรรมนี่เข้าด้วยกันโดยมีพระนี่เป็นผู้นําพระนี่ไม่ใช่เป็นเป็นพระเอกนะแต่ว่าให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้นําพระนี่เป็นตัวเสริมท่านก็เห็นว่าน่าสนใจนะอยากทําแบบอยากจะมาเริ่มแบบนี้บ้างที่ถ้ามาไฟหวานเพราะว่าการพัฒนาแต่ก่อนเนี่ยพระนี่เป็นตัวหลักแต่ว่าชาวบ้านเป็นตัวรองท่านก็อยากให้ชาวบ้านมาเป็นหลักในเรื่องนี้มั่ง แล้วก็ไม่ใช่มาทำแต่เรื่องการพัฒนาแต่ว่ามีการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมกันด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นท่านก็ไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสหรอกพอปีเพราะว่าพอปี40ท่านก็ได้รับนิมนต์ให้ไปบรรยายที่อเมริกาบายกัตมาไปกันสองรูปนะแล้วก็หลังจากนั้นนะก็มีงานบรรยายงานสอนกรรมฐานยเยอะงานพัฒนาชุมชนก็เลยไม่ได้ทาอย่างที่ท่านคิด แต่ว่าประสบการณ์ครั้งนั้นท่านก็ชอบนะเพราะว่าได้ไปไปสัมผัสกับอะไรหลายอย่างที่ตอนอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่รูปทั้งการที่ได้พบปะ ก, กับหมู่มิตรที่เป็นพระด้วยกัน ต, ต่อมาก็ได้มีโอกาสไปเดินทางเดินทางต่างประเทศกับหลวงพ่ อ, อีกหลายครั้งนะก่อนนั้นนั้นก็เคยนะปีสามสี่ก็ไปอินเดียปีสามหก็ไปบาหลีเป็นคณะเล็กๆห้าคนเท่านั้นนะ อินเดียก็มีพระสองพระสามโยมสองรลศนาตัวสิตกูลก็ไปด้วยกับคนที่ชื่อตู่นัคนที่ตู่ตู่ก็คือคนที่เมื่อวานนี้ไปเป็นรับเป็นผู้เป็นกองกำลัการกับพวกเราที่ทาราไฟหวานท่านก็ชอบ ม, มากเพราะว่าเป็นการไปแบบสบายๆแล้วก็กลุ่มเล็กๆไม่มีพิธีตองมากแล้วก็ผจนภัยพอสมควรนะใช้พาหนงาทุกอย่างรวมทั้งรถไฟด้ยรถไฟ ของอินเดียนี่มีชื่อมากอยู่แล้วแล้วก็ะจนภัยกันในรถไฟก็สนุกนันมากนะแต่ตอนนั้นไม่สนุกหรอกนะเพราะว่าต้องบู๊ ก, กับแขกถ้าหลวงพ่อท่านเป็นพระที่น่ารักนะเพราะว่าท่านเป็นหวหน้าคันาก็จริงนะแต่ว่าท่านปล่อยให้พวกเราเนี่ยจัดการเองหมดจะทําอะไรก็บอกแท่งก็แล้วกันนะแท่งก็ยินดีไม่มีการเรียกร้องไม่มีการาาจูจร้จี้หรือบ่นอะไร ท่านงที่เราก็พาท่านไปลำบากนะท่านก็ให้ให้สิทธิพิเศษกับพวกเราในะในการพาท่านไปเมืนะ่อ ใ, ใครที่ไปต่างประเทศกับหลวงพ่อจะรู้เลยว่าเนี่ยไปกับท่านสบายคือว่าท่านเนี่ยไว้วางใจพวกเราแล้วก็ให้จะให้จะพาให้จะพาท่านไปไหนท่านก็ไปทั้งนั้นนะแล้วก็ท่านก็ไม่ ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรที่จะมาแทรกแซงการตัดสินใจของเราเพียงแต่บางครั้งท่านก็อาจจะเห็นใจแขงนะมีคราวหนึ่งเนี่ยนั่งรถนั่งรถรถลากนะรถสองรถรถสาล้อไปหมายทายาลัยพาราษีแขกบอกว่าทั้งหมดเนี่ยรถหนึ่งประมาณสิบรูปีเราก็นั่งกันสองรถสองคนต่อหนึ่งรถพอไปถึงเขาว่าว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ คันละสิบลูปีนะคนละสิบลูปีอา้าวรวคานี้เราก็ไม่ยอมเฉยนะจะมาเล่นกับเราเห็นว่าเป็นมูสยามได้ยังไงเราให้เขาไปสิบลูปีเขาไม่รับรับเขาไม่รับเข้าไม่รั บ, บเราก็เดินไปเลยนะไม่ให้เงินเขาเลยนะเขาก็เดินตามขับรถตามหลวงพ่อเห็นก็บอกว่าให้เขาไปเธอนะนะไอเราที่นั้นเนี่ยเราเน้นเรื่องความเป็นธรรมนะรับปากอะไรเราต้องทำตามนะจะมาเบี้ยวไม่ได้ แต่หลวงพ่อท่านก็บอกให้ไปเธอนะงดสาเนี้ท่านก็มีนะแต่เรื่องอื่นแล้วเนี่ยท่านจะท่านจะให้เราว่ากันไปตามตามเรื่องเลยนะแม้กระทั่งเปลี่ยนเส้นทางด้วยความกระทันหันอย่างท่านก็ไม่ว่าอะไรไอ้เรื่องนี้นี่ถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องการไปเมืองนอกมีเรื่องเล่าเยอะนะแต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันอ่เตรียมรับพร